โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบว่แววคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความฝุกนุกงมากน้อยเท่ยไหรในกำหนอใจบ้างมั้งฝุ่นและฝ่า ทั้งที่เราต่อเป็นผู้ทําเอง mm. เป็นมาเอง ต, อตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทําเองมันก็ไม่น่าจะสงสัยแต่กง่ข้ามมันกลับไม่รู้เฉยเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลย ในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไร ใ, ใกล้ขนาดไหนเราไม่สามารถจะตมามได้เรือไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่า เขาองค์กันมาอย่างไรจนกระทั่งวันจักจะรู้ถึงในสั่งอย่างเป็นพระไถ่แต่ส่วนวราระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หาทรงทราบได้บ้างเป็นลำหลักลัหนักเ น, นี้ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้อง ถ้าทายด้วยสงสัยเลยภาวันจะรู้เจะิ่วิ น, นำสิ่ง ท, ที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถวแนว เ, เห็นความเป็นมาของพระองค์แ้ยความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะที่เกี่ยวข้อ นำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผล ท, ที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสุขทุกข์ดีทั่วประการต่างๆ มีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเส้นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นาชาตินี้เป็นอย่างนี้ใปตัวชาติเป็นอย่างนั้ น, น, น, นอย่างนั้นเรื่องหนสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้ที่ไม่ให้สัดโลกทั้งหลายทาบคืออะไรหากเป็นความสว่างหากเรามีในตาก็ควรจะทราบ พร้อมคนรจะมองเห็นเป็นดีแวลทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควรจะได้ยินเป็นดีแวลทา ง, งจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่ก็ควรจะได้กึิ่ว <c oughs> ่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีดีแวอะไร ทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นแล้วเอาแก้วที่ดำดำมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำดำนั้นออกเสียความสว่างที่จะปรากฏขึ้น แต่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในต า, าพูดงงขึ้นลงหูจมูกลิ้นกายก็ะพเทียบกันโดยไห น, นสิ่งึงมาธิบายขยายออกไปให้มากมาเสียเลาเหนะ อ, อและสิ่งที่ปิดบงดังความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่าที่เลก จะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็ น, นำลำดักบลำดักมาสามารถที่จะให้คู่ศึกษารดังนั้นได้รู้จริงถึงสิ่ิงน่าในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นทงานสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับนิส า, ายของสัศารโลกทั่วไป เพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันม่ถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นนิจืออยากบากป็นนิจความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิจต่อเรา ก็เท่ากับเรารักสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบดถือว่าสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันเพราะนั้นการแก้ที่เลสคือสิ่งปิดบังให้มืมดมิดริดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่ตาดโลกจะพึงสนใจและแก้ไขต า, ามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยาก แล้วสิ่งที่กลามาวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอํานาจแห่งที่เดชเป็นผู้ขับไสให้ไปเกิด ท, ที่นั่นที่นี่แล้วแสดงผลออกมาโดยลําดับนีน้นแบบนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนทั่งถึงวาระสุดท้ายคือสวามตายมีแต่ยากคือความทุกข์ความลำบกากความรำมาน เ, นนเนนกอดคนอยู่โดยลำหนักสมหนัความเกิดตายนี้จอมปราบทั้งหลายมีพระพธธุทธเจ้าเป็นท่าไหรทรงถือว่าเป็นไผเจึงมีภาษิตทั้นหนึ่งขึ้นรับรองว่าลุคคงนัทถ่อาชาตักศ ทุกย่อไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดถ้าเกิดอันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกข์คือเงาเาก็ต่าง ม, มาแม้วความเป็นมาของเราแม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเป็นเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตามก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ ทรงปรสงอะไรมากนักที่จะให้สารโลกรู้อย่างนั้นแต่จริงที่ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของตัมมิภันเรื่องของมรรคเรื่องของมิรอดซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะ ที่พระองค์ประกาศแก่สรรโลกจึงทรงสแสดงสัจธรรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุบรรดาศัตว์ทั้งขานที่มีวิญญาณเขาจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ขับสมภยัยหากว่มามัรรคยังไม่สามารถจะ้เกิดขึ้นได้ นระรงสั่งสอนเน้นหนักตรงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของภาษาศาสนาที่ประกาศธรรมต่อโลกเ้ื่อยมาไม่ส่งดนะเพราะเป็นจุดศุนกลางอันตั้งแม่นดำและกระเทือนทั่วทั้งโลกฐาว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสังสมและฝ่ายบุกเบิดขอดถอนให้หมดขึ้นไปสัรรจะทําจริงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลก สงสารจิตไรโะค่าทั้งสามทำสอนให้พวกเราทั้งหลายภาบอันนี้แม้จะไม่ทราบเพื่องอดีตความเป็นมาขอ ง, นของตนก็ตามและทรงสอนลงในจิตนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดตอบคือเป็นเครื่องวัดกัน ไม่ถคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยงหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตในอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนัทะคือการรู้แจ้งแห่งจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แกพิจารณาเรื่องทุก ผู้มี อ, อยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกนี้เป็นภัยแจ่ตนในขณะชื่อพิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกนี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้าง เป็นค่าสิทแจกผู้ใดบ้างงี้ให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทยัยซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้รักชอบ่อะแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความสิดความปรุงของจิต อันเป็นฝ่ายต่ำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวว่าในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่าเรื่อยที่ดังการมตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหานี้เป็นรากแก้วอันให่โตของสมุทัยกามตัญหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจำนวนมากมายกลายกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงขสาร พิจารณาแนขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุอารมณ์อันใดใดบ้างรวมเข้าเป็นกา ร, รมตัญหาภาวะตัญหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในทบในชาตอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแตกจะพูดไปทีหรือภาวะตัญหา อยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเชี่ยงแค่ทามวลในสัตวแ์และสังขานี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจ์มีกฎอนิจจ์เป็นเครื่องบังคับตายตัวอยู่เช่นั้นไม่มีใครจะสามารถลื้อถอนให้โลกอนิจจ์นี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโลกนิจจ์ไปได้ แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้เพื่ออยากให้เที่ยงหน้าเท้าวรตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เียกว่าจําปิกฉังและรัตปฏิทำปีทุกขงังราร์นาสิ่งใดไม่สมบงังสิ่งนั้นก็เป็นกุศลเราจะว่าท่านจะสิ่งที่มีอยู่ไม่สมบวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมบังเช่นเดียวกันพระมันไม่มียิ่งเป็นของ ที่สุดยิ้งใสที่จะให้มีสิ่งยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้ในเรื่องใหญ่ของกิตเรสแล้วให้กําหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บป่วยได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นตกตกกระติก ไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวดก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทยัยมีชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผึกทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสําหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกัน ท่านจึงสอนให้พิจารณาคายทุกเกิดขึ้นมากน้อยใครกําหนดอยู่ให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อะที่ทุกจะกําเริบรุนแรงขึ้นจนกระกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนขึงมวนั้นก็เพราะสมุทยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งๆ ท, ที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเรา ไม่อยากจะให้มีทุกข์ในสิ่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้นในจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการทางที่กล่าวมาแล้วนี้นะ พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม่ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมุติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนดีตามปกติของตนไม่เคยห ว, วั่นไหวโลกคลอนไปตามความ สำคัญมั่นหมายและความนิยมเสด็จสรรของบุบคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทําให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอย่นี้มันเกิดในสุ่ใด บ, บ้าง แล้วกาหนดดูคู่ที่ไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์ก็เป็นการจะเคียนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราจะเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทำงานเพื่อพิรล็กแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของมัก าพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกเต็มตัวทุกคนเป็นแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกเดวยกันนี่และวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนีม้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เกียดเสียบเปรียบกันเลย เราจรึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างการนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเกื่อผู้สนคือความเสียสดสีละถอดถอนตนให้พ้นจากเสื่้เราควรทำเสียในวั น, นอย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตน ทำขัางกล่ารไว้ว่าอาเัเชวสิกจะมาตัดตังโกธ ง, งามะ น, ง น, ะนังซืยนะฮิโนช่างเนลังเตนะมห้าเท น, น, นมะติมความเพียรเพื่อกุศลคือความแท้เลียวฉลาด ท, ที่จะยกตนให้พ้นจากทุกนั้นควรทำเดี๋ยววันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหว น, เ ป, นเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินาเป็น เมืองพ้าเมืองสวรรค์มิพานตัวของเราผู้ทำงานของเราที่ทำนี่แหละคืองานเพื่อเพลิดเ พ, พลอยเพื่อสวรรค์มิพานให้หลุดพ้นจากที่หลุด ย, ยิงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตัดแต่วันพรุง่งนี้มาลือนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันอัดตาได้ด้วยกันทุกคน เพราะการตายนี้ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเศษมีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดประจัยเครื่องสืดต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวงมันได้เช่นเดียวกันไม่ว่าตัดว่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงได้ผลึงปรุ น, นผลเป็นประโยชน์จากตนในขณะ ใ, ในการที่ขวดสำหรับปวชัญญามณาังสเุเยก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันที่รุ่งนี้มันมีใครทราบ ความมหาเสนมหาเสนเีนมัตินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนีย์คือความตามาวว่างหนักทราบไว้เสียแล้วหยิบเลืน่นงค้นคว้าทําทํา ง, งานความดีอย่าได้ประมาทนอนแต่อย่ไปเชื่อใครยิ่งกว่าพราว่าธรรมสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัวนขาตะางหากถ้าคนมีกิเลตไม่มีสิ้นสุด เพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอาดอั้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอืน่นโลกเลยมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องกลอมๆโดยหาความจริงไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เยี่ยนแต่คนไปคว้าอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงคนเองและเขาทั่วไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไป ซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มเปื้อยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราจะหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์กแก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจำเปลอมเหล่านี้ขึ้นเขาผานตัอเองด้วยหลอกวลวงตัเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนของชาติและเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความท้นทุกข์ วัวสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่กลามาทั้งหมดนี้คือเรื่องของสมมุทต์จะ ก, ก่อความ ม, มืดมิดปิดตาให้ตัวเองหาทางเดินไม่ได้เหมือนไปไม่ได้ก็อยู่ทุกข์ก็ต้องยอมรับจะทุกข์มากทุกน้อยก็ต้องยอมรับกันเพราะไม่มีทางออกเรียกว่าไปไม่ได้มันปิดตายถ้าตัวปัญญามีไม่ได้นํามาใช้ผนจึงสอนให้ใช้สติปัญญา บุษราธรรมาหมายถึงความฉลาดจะให้ใครฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่ให้หัวใจที่กําลังโง่อยู่เวลานี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะควรรับที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเพื่ออุบาตต่างๆและทุกที่มีอยู่ในจิตใจนี้จะได้ผลบูกผลเท่าเราก็ล้านเหลนออกไป จะไมันมีใครมาสร้งางกองทุกข์ทำห้องน้ําห้องส้วมขับขายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นที่โลคที่โกรธขี่หลงนั่นไม่เป็นของดีแล้หรือมันขี้อยู่บนหัวใจกดมันขับขา่ายอยู่บนหัวใจกดจมีขี้ของชีเิตเป็นอย่งนี้มันเหมือนกับขี่ตัดขี้บคุคคลคือกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมที่ด้วย แนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับวิริยะวิริยะจึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะถายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างสมายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระหันท่านเท่านั้นจะไม่อาจเตื่อมได้เลยถ้าว่ามากซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ คามฉลาดนี้แที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาแลนิโรธคือความดับทุกข์ธรรมสามารถแก้ที่เลียนอันเป็นตัวสั่งผมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลําดับตามกําลังของเหตุคือมรรค ถ้ามรตมีกําลังความสามารถเต็นที่กิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้ถลายตัวไปหมดเรียกว่านิโรธแสดงเป็มที่ที่กามาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันตั้มใสควรแก่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะขลิบกิเลสที่เป็นกองทุกข์ตลอดถึงมรตินิโรธนิพพานขึ้นมามีใจตรงเยวนี้เท่านั้น ท่านจึงสอนสัดโลกลงที่ใจแห่งเดียวกาวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ อ, อิ่มนวล น, น่าดูมีเหตุมีผลถ้าใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะคำโง่เขลาทุกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่ได้เลยแม้จิตใจ ตัเองก็ดูไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กำหนดาาามาตรฐานที่ใดจะเป็นที่ลมเย็นถ้าใจไม่ต้มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างก็มีที่ปล่อยที่วางไม่มีที่ย้ำย้ำมีใครที่จะแสดงทำได้ถูกต้องแน่นยัน เปิดทางค้นทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งกว่าส า, าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้หนึ่งไม่มีแล้วมีผู้ใดที่จะถอดถอนที่เละเทะชั่วซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นภัยสำผัญออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถถอดถอนตัวเราเองในหลักธรรมข้างกล่าวไว้ว่าตุงเทหิตจิตกังจิต จังอาตะปังอาคาตารโลตถาคาตาความเพียรเพื่อแผดเผากิเลส เ, เป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่บอกแนวทางให้เท่านั้นนะจึงลงในธรรมะอัตานิสนโนนาโถตนนั้นแหลเป็นที่พึ่งของตอเมื่อได้เครื่องมือจากท่านมาแล้วก็เป็นผู้ทาหน้าที่จะมาให้ท่านทําหน้าที่แทนและขอขอกิเลสแทนได้อย่าง ถ า, ากว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ลึกอสามโลกทั้งหลายแต่ละแต่ละองค์ท่านทําให้สัตว์โลกได้แล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะมีกิเลสไม่ควรจะเกิดแก่เส็จตายแบบทุกข์ความลําบากมาจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากที่ทสุงสงสารสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสามโกทั้งหลายทําไมท่านจะเอาพูดง่ายธรรมะษาขงเาว่าทําไมท่านจะหลับหูหลับตาอยู่ได้ทั้งทั้งสิเห็นสัตว์โลก เป็นพเพื่องทุ้กความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขาช่วยได้โดยลาพังพั ว, เ อ, พวเองซึ่งชัดโลกทั้งหลายไม่ต้องทํางานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีนะท่านนี้ว่าอัตาหิตโ น, นาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมอัาอาตาหิตโ น, นาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นครับเป็นธรรมที่สําคัญอยู่มาก ในวงศาสนาธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขนาดที่เราปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับลำดัสติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรม จ, จักรคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการากฟาดปันหันแหลกกับที่เดลกให้มีราบเหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจเลย มีเป็น อ, าตาอัตาอิจฉานูนาโถแท้ผู้ปัจุบัิจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอาตาอิจฉานูนาโถ ท, ที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้แต่เรื่องภายนอกก็ยัเห็นได้ชัดอยู่เช่นเราก็อาศัยผู้ใดเราไม่ทําตัวให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่ไม่มีใครที่จะสนใจเนื้อแนแลน้วไม่ถามเราให้เกินกว่านี้กวผลไปได้ แต่ทางานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดืนอนก็ตามแต่งานไม่ทําคอจ ะ, จะเอาแต่เงินเดือนขายจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนที่เกียดที่ค้านนอนอยู่เฉยๆเพาไม่มีการทํางานเนี่ยเอาสายผู้อื่นโดไยไถ่เดียวโดยเจ้าขอไม่ให้คนอื่นคนอาศัยแล้วตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทํางานนั้นนให้สำเร็จไปได้อัตตาอิจนาโถงไม่ปรากฏแล ะ, จะใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ไง การปฏิบัติธรรมทางพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุงเบิกกิเลสออกไปโดยลําดับและเห็นทางเพื่อความค้นทุกไปเป็นชั้นๆและพ้นทุกไปได้โดยที่งเชิงประจักษ์กลับไปโดยไม่ต้องรอวันนั้นวันนี้หลือไปถามใครๆทั้งสิน้สาานเพราะศาสนาทำประกาศ ล, ลงแล้วที่จิตใจ เห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะที่เละไม่อยู่ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เองมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตที่เป็นที่อยู่ของทิ่เละและบาปทำทั้งสิ้นแก้กันยิงแก้กันลงที่จุดนี้เนาะดินมาและอลาบจุดเทวังดับ